จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอูบาศกอูบาศิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราชส5 5 0ตรงกับวันขึ้น15ข้าค่ำเดือนแด เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันอาสาฬหบูชาความสําคัญของวันอาสาฬหบูชานี้ก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นวันก่อตั้งพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้สแสดงพระธรรม พ่อรร ม, มเทศนาประกาศพระศาสนาสั่งสอนสัตว์โลกเป็นครั้งแรกเมื่อ2595ปีมาแล้วคือพระพุทธักราชนี้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา 45ปีก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันบรนิพพานไปอย่างนั้นถ้าเราอยากจะทราบว่าอายุของพระพุทธศาสนามีเท่าไหร่เราก็เอาปีพศนี้บวกกับ45เข้าไปปีนี้พศสองพันห้าร้อยห้าสิบบวกเข้าไปอีก45ปี ก็เท่ากับ2595ปีนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าศาสนาจะอยู่ยืนยาวนานได้ถึง 505,000 ปีด้วยกันนี่คือคำทำนายพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าศาสนาของเราตอนนี้ก็ มาถึงครึ่งหนึ่งแล้วถ้าคนอายุถ้าคนเราตายอายุ80อายุ40ก็เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตศาสนาพูดก็เลยอายุ40ปีไปแล้วแต่ก็ยังเป็นที่พึ่งของสัว์โลกได้ทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามเพราะศาสนา นั้นไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่อยู่ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงจัดไว้ชอบแล้วนี่คือศาสดาแทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจากพวกเราไปแล้วพวกเราจึงไม่อยู่ปราศจากพระศาสดาไม่อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้า ตราบใดที่ยังมีการสั่งสอนอบรมพระธรร ม, มเทศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการศึกษามีการนำเอาไปปฏิบัติและมีการบรรลุผลเมื่อบรรลุผลแล้วก็จะสามารถนำเอามาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อีกต่อหนึ่ง นี่คือการสืบทอดพระาศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกคือวันนี้เมื่อ 2,595 ปีมาแล้วในเบื้องต้นคือตอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ใหม่ๆในวันเพ็ญเดือน6คือสองเดือนที่ผ่านมาในวันวิสาขบูชา พระงทรงมีความท้อพระทัยไม่คิดอยากที่จะประกาศาศาสนาไม่อยากที่จะสั่งสอนสัตว์โลกเนื่องจากทรงเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็นนั้นเป็นสิ่งที่ยากสำหรับสัตว์โลกที่จะสามารถปฏิบัติให้เห็นได้จึงเลยไม่มีความปรารถนา ที่จะประกาศสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกแต่ต่อมามีเท่ามหาพรหมได้มากราบอาราธนาขอให้พระองค์ช่วยมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกแต่หลังจากที่ได้ทรงพิจารณาก็ทรงเห็นว่าสัตว์โลกนี้มี หลายชนิดมีความแตกต่างกันในด้านสติปัญญาทรงจาแนกไว้เป็นสี่พวกด้วยกันเปรียบเหมือนบัวสี่เหล่าบัวสีเหล่านี้ก็คือเราชนิดแรกก็คือชนิดที่อยู่เหนือน้ำแล้วพอได้รับแสงผ้าอาทิตย์ก็จะบานออกมาพวกนี้เป็นชนิดแรก ถ้าเปรียบก็เหมือนกับคนที่มีความฉลาดมีความรู้มากพอได้ยินได้ฟังอะไรเพียงคำสองคำก็จะเกิดความเข้าใจสามารถรู้ตามได้นี่คือพวกแรกพวกที่สองก็เป็นเหมือนกับบัวที่พึ่งโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแต่ยังไม่บานต้องรอไปอีกสักระยะวันสองวัน ถึงจะบานได้พวกนี้ก็เป็นเหมือนกับพวกที่มีสติปัญญารองลงมาถ้าได้ยินได้ฟังสักหลายบ่อยครั้งหน่อยก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันส่วนพวกที่สามเป็นพวกบัวที่ยังอยู่ใต้น้ำอยู่แต่ก็จะโผล่ขึ้นมา ในระยะเวลาอีกไม่กี่วันพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับพวกที่คนที่มีปัญญาสติปัญญาปราณกางคือจะต้องใช้เวลาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาไปเรื่อยๆก่อนชาตินี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสบรรลุธรรมแต่ถ้าได้ตั้งใจศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติ ชาติหน้าก็จะสามารถบรรลุได้นะส่วนพวกที่สีคือบัวเหล่าที่ 4, สี่ทรงเปรียบเหมือนบัวที่อยู่ก้นบ่อก้นสระที่อยู่กับตมกับโคลนบัวพวกนี้จะไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำและบานได้เพราะจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไป พวกนี้ก็เปรียบเหมือนคนกับเหมือนกับคนที่มีสติปัญญาทึบคือเป็นคนหูหนวกตาบอดทางด้านปัญญาพวกนี้จะไม่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะไม่เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพวกนี้ถ้าสั่งสอนไปก็เสียเวลาไ ป, ปเปล่า เพราะเหมือนกับเทน้ำใส่แก้วที่คว่ำไว้เทน้ำเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้แม้แต่หยดเดียวเพราะไม่ได้ไหมายแก้วขึ้นมาเพราะพุทธเจ้าก็ทรงไม่สอนพวกคนเหล่านี้จะทรงสอนแต่พวกที่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้จึงทรงมุ่งไปพวก พวกแรกก่อนพวกที่มีสติปรรัญญาที่แหลมคมที่พร้อมจะบรรลุธรรมได้ทันทีถ้าได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงทรงคิดถึงพระปัจจะวะัคคีทั้งห้าผู้ที่เคยปฏิบัติผู้ที่เคยติดตามปริบัติพระพุทธเจ้ามาแต่ได้แยกทางกันไป ก่อนที่จะทรงตัดสรู้รงรู้ว่าพระปัญจวัคคีนี้มีบารมีพร้อมที่จะตัดสรู้ตามได้จะบรรลุธรรมตามได้ถ้าได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะสอนเขาจึงท่งมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีในวันนี้คือวันเพ็ญเดือนแปด ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาขา้งแรกโปรดพระปัญจวคีพร ะ, พระธรรมเทศนานี้มีชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นการแสดงถึงพระอริยสัจสี่ทำที่ทําให้พระพุทธเจ้าตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือสัจจะทาความจริงสี่ประการเป็นความจริงที่จริงต่อ สัตว์โลกทุกตัวทุกบุคคลไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนเวลาไหนสัตว์โลกทุกตัวทุกบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องอยู่ภายใต้สัจจะของทั้งสี่นี้คือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธาสัจจะและมรรคสัจจะนี่คือความ สัจจะ4ี่ประการที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์โลก ส, สัจธรรมข้อแรกที่เรียกว่าทุกขสัจจะก็หมายถึงความทุกข์ใจนั่นเองสัตว์โลกทุกสัตว์ทุกตัวทุกบุคคลเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความทุกข์ใจด้วยกันความทุกข์ใจนี้ก็คือความไม่สบายใจความกังวลใจความเสียใจ ความหวาดกลัวนี่เรียกว่าเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้ทรงตรัสไว้ว่าเกิดจากสัจจะทำข้อที่สองความจริงข้อที่สองก็คือสมุทัยสัจจะคือต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุที่ทำให้เราต้องมีความทุกข์ในใจนั้นทรงตรัสไว้ว่ามีอยู่สามคือ ความอยากสามชนิดด้วยกันการมาตัญหาความอยากในการภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือความอยากที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเราอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็จะต้องห่วงกังวลเกี่ยวกับร่างกายของเราเพราะเราต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าร่างกายนี้พิกลพิการไปก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้เช่นสมมติว่าตาบอดไปก็จะไม่สามารถหาความสุขจากการ ดูหนังดูสิ่งต่างๆได้ถ้าหูหนวกก็ไม่สามารถหาความสุขจากการจากการฟังสิ่งต่างๆได้นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผพถภะถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องละความอยากนิเสียคืออย่าไปอยากดูอยากฟัง อยากลิ้มรสอยากนมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางร่างกายปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมีอะไรดูก็ดูไปมีอะไรฟังก็ฟังไปไม่มีก็ไม่เดือดร้อนถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์แสดงว่าไม่มีความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสคือไม่มีการมาตัณหาความอยากในการพระพุทธเจ้าทร ง, งสอน ถ้าอยากจะให้ความทุกข์ในใจของเราดับไปเราก็ต้องละความความอยากทั้งหลาย mm hmm. เช่นความอยากในการเป็นต้นอยากไปอยากเพราะอยากแล้วมันเป็นทุกข์สู้อยากไปอยากดีกว่าแล้วจะมีความสุขความสุขนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความอยากเพราะเวลา ได้อะไรมาก็มีความสุขใจแต่พอเสียอะไรไปก็มีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราไม่อยากกับอะไรแล้วเวลาเสียอะไรไปเราก็จะไม่เสียใจเราจะรู้สึกเฉยเฉยเราจะมีความสุขทั้งๆ้งที่เราเสียสิ่งต่างๆไปเพราะเราได้ความสุขที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการดับ ของความอยากนั่นเองพระพุทธเจ้าทร ง, งสอนให้เราพยายามดับความทุกข์ให้ได้ทําความทุกข์ให้มันประทำการดับความทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาในใจให้ได้ด้วยการเจริญมัชมัชนี้ก็เป็นอริยสัจนิสัจจะทมข้อที่สี่ความจริงข้อที่สี่เป็นเครื่องมือที่จะดับทุกข์ภายในใจของเราได้ มักนี้ก็ประกอบด้วยทานคือการให้ศีลการไม่รไม่เบียดเบียนผู้อื่นและภาวนาการทําจิตใจให้สงบให้เกิดปัญญาให้มีความเข้าใจในความจริงของชีวิตให้เข้าใจว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากให้เข้าใจว่าความสุขเกิดจากการไม่อยากเกิดจากการดับ ของความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความอยากด้วยการตัดความอยากให้หมดสิ้นไปด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการภาวนานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสั่งสอนในวันแรกและหลังจากที่ได้ทรงเสร็จการแสดงพระธรรมเทศนา ก็ปรากฏมีหนึ่งในพระปัญจวาคัคคีได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งเป็นผู้ที่พ้นจากการจะต้องไปเกิดในอบายและมีภพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติและทั้งเจ็ดชาตินี้ก็จะเกิดในภพชาติที่ดี คือพบของมนุษย์ของเทพเป็นต้นนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมครั้งแรกและหลังจากนั้นก็ได้ทรงแสดงพระธรร ม, มเทศนาโปรดพระปัจจาวาคีอีกสองสาครั้งพระปัจจาวาคีทั้ง5ก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสตามพระพุทธเจ้า ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพากจากกันจิตได้เข้าสู่พระนิพพานคือจิตที่มีความสุขเต็มที่ตลอดไปตลอดอนันตการไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับ จากการน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาและปฏิบัติจิตใจจะค่อยจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะช่วยชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจที่เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องอุบวายใจ เมื่อเราปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆจากทานเราก็รักษาศีลจากศีลเราก็ภาวนานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบด้วยอุบายวิธีต่างๆจะเป็นการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ให้เราสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้ข้อสำคัญเวลาสวดขอให้มีสติรู้อยู่กับการสวด อย่าเผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พยายามให้อยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียวถ้าสามารถทำได้สวดไปเรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยสงบลงไปสงบลงไปแล้วไม่นานจิตก็จะสงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งแล้วก็จะปรากฏความสุขความสบายใจขึ้นมานี่เป็นวิธีการดับทุกวิธีหนึ่ง เวลาที่เรามีความไม่สบายอกไม่สบายใจคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วทำให้เกิดความกังวลเกิดความวุ่นวายใจก็ทรงสอนให้อย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้มาสวดมนต์แทนสวดบทไหนก็ได้ที่เราจำได้บทสั้นก็ได้บทยาวก็ได้ข้อสำคัญก็คือให้สวดเรื่อยๆ สวดหลายๆลรอบแล้วก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจพอสวดไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องต่างๆที่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วเราก็มีความสุขปรากฏขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าเรื่องต่างๆนั้นไม่สําคัญอะไรเลยอะไรจะเกิดก็เกิดไปใครจะอยู่ก็อยู่ไปใครจะจากไปก็ ก็จะไปไม่สำคัญอะไรเพราะใจของเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องให้ความสุขกับเรานี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบเราจะรู้ขึ้นมาเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเราไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขได้เราจะเสียอะไรไปมากน้อยเพียงไร ก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเพราะเราสามารถมีความสุขได้กับตัวของเราเองด้วยการสวดมนต์นี้เองนี่คือเป็นวิธีดับทุกข์เป็นการสร้างความสุขให้กับเราอย่างแท้จริงเพราะความสุขอย่างอื่นที่จะต้องอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้อาศัยคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราไม่รู้ว่าคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้จะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่หรือจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะเวลาเปลี่ยนไปหรือจากเราไปจากเราไปเราก็ต้องเสียอกเสียใจ ร, ร้องห่มร้องไห้นี่คือความสุขที่เกิดจากการมีสิ่งต่างๆ มีบุคคล น, นั้นมีบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเราแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันนี้จะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เลยแต่อาศัยความศรัทธาคือความเชื่อของเราเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัตินั้น เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราจะได้มีความขยันหมั่นเพียรที่จะพยายามปฏิบัติตามให้ได้มากจะไม่เสียดายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ส่งสอนให้ทำบุญให้ทานก็ทำอย่างเต็มใจไม่เสียดายกับสิ่งที่มีอยู่เพราะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่นี้ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริง เวลาให้แล้วใจของเราจะเบาจะสุขเพราะไม่ต้องกังวลกับสิ่งนั้นอีกต่อไปถ้ามียังมีสิ่งนั้นอยู่ก็ยังต้องคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยกังวลและเวลาสูญเสียไปหายไปก็จะต้องเสียอกเสียใจถ้าเราให้ให้ผู้อื่นไปด้วยความยินดีด้วยความพอใจเพราะ คิดว่าเป็นการช่วยเหลือกันเป็นการทำบุญทำทานเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาดังนั้นจึงอย่าเสียดายกับสิ่งต่างๆที่เหลือกินเหลือใช้ถ้าเราไม่มีความจำเป็นก็เอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนแล้วจะช่วยแล้วับดับความทุกข์ความกังวลใจในวัตถุข้าวของต่างๆได้ และจะระงับความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ลงไปด้วยเพราะเวลาที่เราให้ขายแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจเราจะไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงขอให้เราพยายามเสียสละให้มากแจกให้แจกจ่ายให้ทานให้มากแล้วมีเวลาก็ขอให้เรามาฝึกทําจิตใจให้สงบ ไหว้พระสวดมนต์แทนที่จะเสียเวลาไปดูหนังฟังเพลงแล้วทำให้จิตใจของเราต้องฟุ้งซ่านวุ่นวายมีความหิวมีความกระหายอยากอยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นเราเอาเวลานั้นมาฝึกทำจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์จะดีกว่าถ้าเราสวดมนต์เป็นรมสมาธิเป็นแล้ว ต่อไปเราไม่ต้องไปเที่ยวข้างนอกให้เสียเวลาเพราะเรามีที่เที่ยวอยู่ในบ้านเรานแล้วอยู่ในตัวเรานี้เองเราเที่ยวข้างในดีกว่าเที่ยวด้วยการสวดมนต์พอสวดมนต์เข้าไปแล้วจิตใจจะมีความสงบมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจและเราจะไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะได้อะไรไม่ดีกว่าหรือ เพราะความอยากนี้เป็นโทษเมื่ออยากแล้วยังอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องดิ้นรนต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยรู้จักคาว่าพอได้มาแล้วก็อยากจะได้มาอีกชีวิตของเราก็จะต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ไปดิ้นรนใหม่ เราทำอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วไม่รู้กี่รอบแล้วตายเกิดแบบนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วเราไม่เบื่อกันบ้างเลยหรือทาไมเราไม่ทำอย่างพระพุทธเจ้าทำกันคือทำให้จิตของจิตใจสงบแล้วก็จะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไปเมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตาย ไม่ต้องไปพลาดพลาดจากกันนี่คือทางของผู้ประเสริฐของผู้ที่รู้รู้จริงเห็นจริงว่าทางนี้แลเป็นทางที่จะพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่มีทางอื่นทางอื่นนั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจดังนั้น ยังอยากจะให้ท่านทั้งหลายจงนำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ทาที่ทรงสอนให้เราดับทุกข์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการภาวนาเพื่อตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจเพื่อใจจะได้ตั้งอยู่ในความสงบน่งเรียนเป็นสุข ตลอดไปจึงขอฝากเรื่องวันอาสาฬหบูชาวันเกิดของพระพุทธศาสนาวันก่อตั้งของพระพุทธศาสนาซึ่งมีอายุถึงวันนี้ก็ 2,595 ปีแล้วให้ทให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระ โดยทั ha, ่วหน้ากันเธอ